แต่ทำหน้าที่การงานอันใดก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ลุกเรี่ลุกลนร้อนเกินเหตุเกินผลทั้งทังผิดใช้การอะไรไม่ได้เพราะความร้อนนันร้อนก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลจะเย็นก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลผู้นั้นก็ชุ่มเย็นศาสนาจึงเป็นคู่เชียงของชีวิตความประพฤติหน้าที่การงาน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 แสดงออกทางใดย่อมสอถึงใจผู้บงการเสมอเพราะฉะนั้นใจผู้บงการจึงควรจะได้รับการอบรมที่ถูกต้องดีงามเพื่อจะระบายออกในทางที่ถูกผล ท, ที่ย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวของเราจึงจะเป็นความร่มเย็ยนศา ส, สนาจึงเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้ความร่มเย็ยนเป็นสุขแก่ผู้ประพฤตปฏิบัติ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 มันเหมือนกองมูดกองคูดทั้ทงๆ ท, ที่ธรรมชาตินั้นก็อยู่ภายในนั่นแหละนี่คืออะไรคือกกเลตซึ่งเป็นจิงโสมมมันครอบเสียหมดจึงเรียกว่าจิตมันเตอะมันเปืเป้อนเปื้อนด้วยสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีอะไรอัศจรรย์แม้สุดท้ายผลสุดท้าย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 แม้ตัวของเราเองก็ได้รับความเดือดร้อนบุญวานมาเหมือนๆ ก, กันก็เพราะสิ่งนี้เช่นเดียวกันแล้วจะนำอันใดเข้ามาแก้ไขเข้ามาชะล้างโดดลงน้ำมหาสมุทรทะเลก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเกิดผลลงในบึงในบ่อน้ำไหนเ็้าไปเถอะน้ำล้างบาปล้างบุญอย่างที่เขาพูดกันอยู่กามเมืองอินโดอินเดียเป็นล้างบาปล้างอะไรล้างไปเถอะไม่มีทางที่จะสาเร็จได้เพราะไม่ใช่ฐานะที่จะทาบาป กรรมหรือจิตมัวหมองทั้งหลายอยู่ภายในใจนั้นให้หมดไปได้ด้วยน้ํานั้นๆ น, น, นอกจากน้ําศีลน้ำธรรมน้ําใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเป็นน้ำํำสาคัญที่จะชําระสิ่งที่สกรปรกอยู่ภายในใจิตใจนี้ให้ออกได้กลายเป็นใจที่มีความสง่างามขึ้นมาภายในตนแล้วจะเกิดความอัจฉรย์ภายในตนโดยไม่คาดสัน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 สิ่งตัดทอนความดีทั้งหลายออกออกจนหมดไม่มีภายในพระไทยจึงสมนามว่าเป็นาศาสนาแท้นะคั น, นไม่ใช่าศาสนาทั้งทั้งที่มีกิเลโสมมุมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเป็นาศาสดา ห, หรือเป็นพระผูท้ทิเจ้าด้วยความบริสุทธิ์เพราะสิ่งสกรปรกทั้งหลายนั้นได้หมดไปจากพระไถยสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง